ดั่ว و ز َ ز ُ <ت ص في ق> و ر อ وقالوا أ َ س ا ط ي ر الأولين كتتبها و ف ه َ ئ ت م لا عليه مكرتو َ أ ص ي ل ا อั ن ลอฮฺอัล ع ลาَห์ที่ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่าَในสวรรค์และโลกอัลลอฮฺทรงเป็นผู้ทรงอภัยโทษและทรงเมตตา ครับเอาไว้แ <Cup> ค <cover S 2> <c Ris ky> ่น no. ั้นนะครับรอบการอ่านของเราในเช้าวันนี้วันนี้เราจะทาความเข้าใจอายะที่สองจากสุร์อัลฟุรุกอนอัลลอฮบิลลาฮิมินัสเชยตานุรรจิมอัลลละูมุนสส์มาวะติวะลับวลมยัตทคิวลด ولم يكن له شريك في المنك وَقَالَ ق َُ ل ah َّ ش َ ي ْ ء ٍ فَقَدَ ر َ ه ُ تَقْدِيرًا ในอายะฮ์แรกเราได้ทราบไปแล้วนะครับว่าตบาระกันที่นับเจลันนะครับอัลลอฮ์สุบฮ์ตัลลาได้ทรงประทานอันกุรานอันได้ชื่อว่าเป็นฟุรุกอนซึ่งเราได้อธิบายไปแล้วนะครับ เรยท่านนบี Muhammad صلى الله عليه وسلم ที่ Allah ต์เรียกท่านนบี صلى ل ل م ในอายะรกว่าอับดับดีฮีนะครับท่านบี Muhammad صلى الله عليه وسلم เป็นรัศมีของ a l l และเป็นบ่าวของพระองค์เราก็ได้ทราบแล้วว่าทาไม Allah س ب ح ตใช้จเรียกท่านนบี m ل ا م ว่าเป็นบ่าวของพระองค์และ Allah س ตได้มอบภารกิจที่ยิ่งใหญ่ ท่า น, นนาบีสลลัลลอฮุอะลัยฮิลมนะครับในวัคสุท้ายของอ้ายฮวะลีล่จะอูนลินอาลามีนนาซีรอให้ท่านนาบีมสุสลลัลลอฮุอะลัยฮิสแลมเป็นนาซีรนซีรหมายถึงนะครับผู้ที่เตือนสำทับหรือเตือนผู้คนให้เกรงกลัวการลงโทษของอัลลอฮฺุบฮฺฮะตลาถ้าหากว่าพวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธหรือถ้าหากว่าพวกเขาฝ่าฝืนผู้ที่ ขาฮาตาลาได้มอบไปท่านนบีมุฮัมมัดสลลัยอิสลามทำหน้าที่ตักเตือนนั้นครอบคลุมถึงมนุษย์และยินมนุษยชาตทั้งหมดท่านนบีมุฮัมมัดสลลัยอิสลามจึงเป็นรูลของมนุษยชาตกาฟัตัลินาสของมนุษยชาตทั้งหมดนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัยฮวายิอิสลมเป็นราะมตตัลินอาลามีนเป็นความเมตตาแก่มวลมนุษยชาติหรือสากลโลกในอายะที่สองนะครับ อัลลอฮฺสวาฮฺต阿拉ได้ตรัสถึงพระองค์นะครับได้ตรัสถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ตรัสถึงกรรมสิทธิ์ของพระองค์ได้ตรัสถึงอำนาจของของพระองค์จากที่ในอายะห์แรกอัลลอีฺนัสซาลัลฟุร์กอนพระองค์เป็นผู้ที่ทรงประทานอัลกุรอานนะครับในอายะห์ที่สองอัลลอฮละหูมุนกุศลมาสําหรับอัลลอฮฺสวาฮฺตล拉เป็นผู้ทรงนะ และที่ผู้ซึ่งลาหูสำหรับพระองค์นะครับแสดงความเป็นเจ้าของและแสดงถึงอำนาจในการดูแลจัดการคำว่าลาหูเป็นเจ้าของจริงๆเป็นเจ้าของจริงๆแล้วก็มีอำนาจจริงๆนะครับสำหรับพระองค์คือมุนกุศมาอะไรที่เป็นอัลลอฮฺสวาฮตลาเป็นเจ้าของหรืออะไรที่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺสวาฮตลา อะไรที่อยู่ในอำนาจของอัลลอฮวาฮาตลลาอะไรครับมุนกุสามาวาทิวันอบับคืออาณาจักรทั้งหมดที่ครอบคลุมแผ่นดินและชั้นฟ้าจักรวาลทั้งหมดนะครับโลกและจักรวาล ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮวมะฮตาลาอยู่ภายใต้การกากับดูแลการบริหารจัด ก, การของอัลลอฮวมะฮตาลาและชะตากรรมชะตากรรมคือบ้นปลายในที่สุดก็อยู่ในพระหัตของอัลลอฮวมะฮตาลาก็อยู่ในอำนาจของอัลลอฮวมะฮตาลาเช่นเดียวกันละหูมุนกุสลมาวาทิวันอบับนะครับ คำว่ามุนหมายถึงการครอบครองและอำนาจในการดูแลจัดการนะครับอะไรครับจัดการอะไรอสซามาวาชชั้นฟ้าทั้งหลายชั้นฟ้าที่เรามองเห็นชั้นฟ้าที่เรารู้และที่เราไม่รู้นะครับจักรวาลอันกว้างใหญ่ในชั้นบรรยากาศและ ในอวกาศบรรยากาศแปลว่านะครับบรรยากาศก็หมายถึงว่าชั้นที่มีนะครับมีอากาศอยู่บรรยากาศของโลกชั้นอวกาศอาวกาศคือที่ที่ไม่มีอากาศนะครับนอกออกไปจากชั้นบรรยากาศก็จะเป็นอวกาศกว้างใหญ่ขนาดไหนรครอบคลุมถึงกี่นะครับดวงดาวไม่รู้สักนะครับกี่ล้านล้านดวง ขนาดไหนความใหญ่ของมันความเล็กของมันนะครับไม่มีความเล็กนะครับดวงดาวบนช่องฟ้าไม่มีความเล็กใหญ่นะครับใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนใหญ่กว่าดวงอาทิตย์นับเป็นล้านล้านเท่าก็มีหลายหลายเท่าก็มีมนุษย์ไปรู้แค่ไหนมนุษย์รู้เพียงนิดเดียวความลับในชั้นฟ้าทั้งหลายความลับในแผ่นดินความลับในมหาสมุทร ความลับในพืชความลับในสัตว์หรือความลับที่อยู่ในตัวของเราเองมนุษย์รู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองยังมีความลับอีกมากมายความสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ยังมีอีกมากมายเหล่านี้อัลลอฮฺดีลาหูมุลกุสซามาว่าทิวัานความเป็นเจ้าของของอัลลอฮฺสวาหา์อัลละอาบหนาจของอัลลอฮฺสวาต์อัลาเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นอำนาจจริงความเป็นเจ้าของของเราครับเป็นเจ้าของที่ไม่จริง เช่นอันนี้มือเราใช่ไหมมือเราบังคับได้ไหมไม่ให้มันปวดบังคับได้ไหมให้มันยาวออกหรือสั้นเข้าหรืออายุของเราชีวิตของเราเรากําหนดได้ไหมนี่ตัวของเราชีวิตของเราเรากําหนดได้ไหมว่าในเมื่อเป็นชีวิตของเราเราอยากจะมีชีวิตสักร้อยปียกตัวอย่างหรือร้อยกว่าปี หรือมีชีวิตเท่านั้นตอนนี้เป็นไปได้ไหมเราอยากจะมีตัวใหญ่ตัวสูงก็ได้แค่ออกกาลังกายได้แค่ยืดแล้วจะสูงจากนั้นอีกไหมเมื่อถึงกำหนดไม่สามารถที่จะสูงได้อันนี้ความเป็นเจ้าของที่ไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงทุกอย่างที่เราเป็นเจ้าของไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงเจ้าของที่แท้จริงคืออัลลอฮฺสวาฮ์บัลลาละหูมุนกุสซามาวิวาดและสิ่งที่อัลลอสวาฮัลลาครอบครองนั้นคือ แผ่นดินคือโลกและจักรวาลทั้งหมดอันยากที่จะกล่าวถึงได้ลาหูมาฟิสซามาวาลาหูมุนกุสามา ว, วมาวที่วัน อ, อับคำว่ามุนครอบคุมหนึ่งจำไว้ดีนะครับหนึ่งความเป็นเจ้าของอลัลลอฮฺสาตาลาเป็นเจ้าของในคําว่าลาหูอัลลอฮฺสาตาลาเป็นเจ้าของนะสอง อำนาจในการจัดการอำนาจในการจัดการให้เป็นให้ตายนะครับออดูแลรักษานะครับให้เป็นไปอำนาจในการจัดการสามจุดสิ้นสุดของมันอำนาจในการที่จะกำหนดจุดสิ้นสุดชะตากรรมเาเรียกในภาษาไทยเรียกว่าชะตากรรมนะครับชะตากรรมทั้งหมดที่จะเป็นไปทั้งหมด เป็นอำนาจของอัลลอสมหาตละ ت ع าเป็นอำนาจในคำว่าละหูละหูมุนกุศมาวาทิวันอับสุบฮานุลลอห์อัลลอฮฺ س ละสร้างโลกสร้างโลกสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายแล้วก็แผ่นดินเป็นสัญญาณที่ยิ่งใหญ่ให้มนุษย์รู้จักพระองค์นะครับถ้าไม่มีหนังสือเล่มใดๆที่เขียนเกี่ยวกับพระองค์ ที่บอกเกี่ยวกับพระองค์สิ่งที่ปรากฏอยู่ก็เพียงพอแล้วที่เราจะรู้จักอัลลอฮะฮตะลาสิ่งที่มีอยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเพียงพอแล้วที่เราจะเราจะได้รู้จักอัลลอฮะฮตะลาผู้ที่ทรงอำนาจผู้ที่ทรงวิทยาปัญญาทรงความรู้ จนยากที่จะหาคำา่าบอกได้คือไม่มีพี่จะเปรียบเทียบกับพระองค์ได้ในความรู้ของพระองค์ความนะครับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตของคนคนหนึ่งในร่างกายของเรามีกี่ระบบครับลองนับดูสิที่เราเรียนหนังสือเราเรียนระบบอะไรบ้างในร่างกายฮะระบบการย่อยเป็นระบบไหม ตั้งแต่เอาอาหารเข้าปากเที่ยวนะครับสารนะครับที่มานะช่วยในการย่อยแม้กระทั่งน้าลายนะครับที่จะช่วยในย่อยย่อยการย่อยอาหารลงไปในกระเพาะก็จะทำหน้าที่ที่ย่อยจากอาหารก็จะกลายเป็นพลังงานดูดซึมเอาพลังงานออกไปแล้วก็ทิ้งกากออกมานะครับกากออกมาเป็นอุจจระหรือน้ำนะครับนะ เอากระบวนการในการย่อยอาหารกระบวนการระบบหายใจสัมผัสอัลลอฮฺยิ่งใหญ่มากระบบหายใจขนาดไหนระบบการฟังอีกระบบหนึ่งถามว่าเรารู้อะไรบ้างไมมเกี่ยวกับเรื่องนี้หมายความว่าคนคนหนึ่งนึงเรียนได้เรื่องเดียวเท่านั้นเองถ้าจะให้รู้ลึกดนนั้นก็ยังรู้ไม่หมดระบบการฟังเป็นไงเสียงที่จะเข้าไปแล้วก็ นะแปลออกมาเป็นความหมายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันสะท้อนก็นไปเข้าไปในเข้าไปในหูนะครับที่อรรถสมาตาได้สร้างเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปในในประสาทของเราที่แปลความหมายออกมาระบบความจําหน่วยความจําที่อยู่ในสมองไม่น่าเชื่อว่าถ้าผ่าสมองออกมาหรือว่า เ, ออเราเห็นสมองแพะสมองงวสมองควายเนี่ยครับมันเป็นของเหลวของเหนียวอย่างอะไรครับเป็นแค่อะไรสักอย่างหนึง นะครับที่มันๆ น, นะแต่ปรากฏว่าความจำมันไปอยู่ในสิ่งนี้ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์เนี่ยไปอยู่ในสิ่งนี้เป็นของเหลวที่ถ้าเอาออกมาแล้วมันมันไม่ได้มีอะไรไม่ไม่ได้มีอะไรเลยครับระบบความจำระบบหายใจนะครับการระบบฟอกโลหิตแล้วก็ระบบนะระบบขับถ่าย สุภานนทล่อระบบขับทายทักเป็นสิบสิบระบบในร่างกายของเรานะครับระบบที่จะป้องกันนะต้องอป้องกันอะไรครับสิ่งแปปอลกปรลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายเหล่านี้เป็นต้นนี้คือความอาศจริย์ที่อลัลลอฮฺสุบฮานตะลาจัดการนี่ในตัวของเราในตัวของมนุษย์ และในโลกและจักรวาลเนี่ยมันมีอะไรอีกมากมายละหูมณนกุฏะเหล่านี้อยู่ในคําว่าละหูพระองค์ดูแลพระองค์จัดการพระองค์ทรงเป็นเจ้าของไม่มีผู้ใดอื่นจากพระองค์ละหูมาฟิสสามารถทิวันออบละหูมาฟิสสามารถทิวันอ๊อบชั้นฟ้าทั้งหลายพระเจ้านั้นชั้นฟ้าจึงเป็นหนังสือเล่มใหญ่แผ่นดินจึงเป็นหนังสือเล่มใหญ่ ที่จะให้มนุษย์ได้รู้จักอัลลอฮฺสวาฮ์บะตาลาคนที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าจะเรียนเรื่องเดียวช่วยกันเรียนเรื่องเดียวครับไม่ต้องหลายเรื่องช่วยกันเรียนเพียงเรื่องเดียวเนี่ยเรียนไม่หมดเรียนยังไม่หมดเลยครับมนุษย์กี่ล้านเนี่ยช่วยกันเรียนเพียงเรื่องเพียงเรื่องเดียวที่อัลลอฮฺสวาฮ์บะตาลาได้ สร้างไว้ที่อัลลอฮมาตาลาได้กำหนดไว้เนี่ยยังเรียนไม่หมดเลยละกูมาฟิสมาแล้วนับประษาอะไรกับในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเพียงน้อยนิดวะมาอูที่ตุมมีนมีอนลมีอิลลากอลีลาพวกท่านไม่ได้รับความรู้พวกท่านไม่ได้รับความรู้เว้นแต่เพียงน้อยนิดเท่านั้น ดังนั้นผู้ใดที่อัลลอฮฺสวาฮาตัลลาให้ความรู้แก่เขาสิ่งที่เขาควรจะแสดงออกหรือท่าทีของเขาก็คืออะไรครับคือการขอบคุณอัลลอฮฺสวาฮาตัลลาที่ได้ให้ความรู้แก่เขาใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ความรู้เหล่านี้อัลลอฮฺสวาฮาตัลลาให้มา ความรู้รู้อัลลอฮ์สาหัสลายเขารู้เขาขอบคุณอัลลอฮ์สาหัสลาย่ายิงกับวิชาความ ha. Ha ram, รู้ว่ม่อ um ja ja ja ok ja ูตีตุมมินะหลายมอิลลากลีละพวกท่านจะรู้ขนาดไหนจะอาเลมขนาดไหนจะเป็นด็อกเตอร์จะเป็นศาสตราจารย์หรือจะเป็นใครก็ตามแต่ที่มีความรู้มากมายอายะนี้บอกว่าว่ม่อูตีตุมมินัะอิมมอิลลากลีละ พวกท่านไม่ได้รับความรู้เว้นแต่เพียงน้อยนิดเท่านั้นเองที่เหลืออยู่ที่ไหนอัลอาลีมอัลล์สวาฮาตาลาทรงรอบรู้ดังนั้นลักษณะที่สำคัญที่คนที่เป็นนักเรียนคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่เป็นนักวิชาการพึงจะสร้าง ก็คือความนอบน้อมทมตนความนอบน้อมทมตนไม่ใช่ความยิ่งยโสเพราะความรู้ที่เขาได้รับนั้นมาจากอัลลอ์และอัลลอ์บอกว่าไม่ว่ามนุษย์จะรู้มากขนาดไหนการนั้นมนุษย์ก็ยังรู้น้อยนิดเท่านั้นอาจารย์เคยบอกไหมว่า นักปราชญ์เรื่องน้ำอะไรครับโซเครติสรี โ, โรติสมีคนถามโซเครติสว่าทำไมท่านจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นนะครับนักปราชญ์นะครับนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าคนเรียนประวัติาศาสตร์นะครับของกรีกหน้าโบราณก็จะ รู้จักชื่อคนนี้ลหละครับเรียนเรื่องการเมือเงเรียนเรื่องรัฐศาสตร์รอะไรต่างๆก็จะอ่านเรื่องราวของโซคราติสความคิดของโซคราติสคนถามว่าทำไมท่านถึงได้รับการยกย่องมากขนาดนี้โซคราติสตอบว่าอะไรครับตอบว่าที่ฉันได้รับการยกย่องขนาดนี้เพราะว่าฉันเป็นคนคนเดียวที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลย ตัวเองไม่รู้อะไรเลยครับคนรู้ที่แท้จริงคือคนที่พบคนพบตัวเองว่ายังไม่รู้อะไรเลยยิ่งรู้มากยิ่งรู้มากยิ่งรู้ว่ายิ่งไม่ยิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อะไรสัลลอฮฺลือกมาฟิลสัมาวะติวะมาฟิลอับนะเลอกมาฟิลสัมาวีติวันอับ บางครั้งก็ละหูมาฟิสสมาวาทิวมาฟิลอบนะครับมีทั้งนะครับสอ ง, อ ส, องสองรูปของนะครับการใช้คำจากอายัห์ของลอสมาฮตลาในอายะห์นี้ละหูมาฟิสสมาวาละหูมาฟิสสมาวาทิวัลอบดังนั้นชันฟ้าทั้งหลายครอบคุมถึงสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดครอบคุมถึงดวงดาว ครอบคุมถึงดวงอาทิตย์ทั้งดาวฤกษ์ดาวเคราะห์นะทั้งอุ ก, กาบาต ท, ทั้งหมดที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินก็ครอบคุมทั้งหมดนะครับของแผ่นดินทั้งอยู่บนดินทั้งอยู่ในดินนะครับทั้งพืช น, น้ำที่อยู่บนดินนะครับเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในลาหูมาฟิสามาราทิวันออเราถ้ามีงานมากเป็นไงครับ ต้องหาผู้ช่วยอะต้องหาผู้ช่วยว่าช่วยทำนี่หน่อยนะครับแต่สำหรับอัลลอฮฺลาหรือคนคนเราเมื่อโตขึ้นพวกเจอโตขึ้นต่อไปเป็นหนุ่มนะครับหรือเป็นผู้ใหญ่ออกคที่จแต่งงานแต่งงานแล้วอายุมากแล้วก็อยากจะมีลูกเพราะว่าสร้างมรดกไว้มาก มีโน่นมีนี่จะแบ่งปันให้กับใคก็แบ่งปันให้กับลูกแล้วก็ลูกก็จะได้ใช้นามสกุลของเราเป็นตัวแทนของเราต่อไปทำไมเพราะเราในที่สุดเราตายลูกจะได้เป็นตัวแทนสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นกับอัลลอฮฺสวาบัตัลลอฮฺสิ่งนี้การตั้งตัวแทนก็ดีการที่จะมีลูกก็ดีนะครับ ไม่เกิดขึ้ น, นกับอัลลอฮฺมะฮาตลาจะมีหุ้นส่วนในการที่จะเป็นมีผู้ช่วยจะาเอาผู้ช่วยมาช่วยในการดูแลที่เอาครอบครองอ่อกรรมสิทธิ์ของโปร่งที่อยู่ในชั้นฟ้าตั้งหลายแล้วก็แผ่นดินทั้งหมดบริหารจัด ก, การใช้ผู้ช่วยไหมใช้ตัวแ ใ, ใช้ตัวแทนไหมใช้หุ้นส่วนไหมไม่มีมีลูกไหมไม่มีลัมยัตตะคิสวะลาดาไม่มีบุตร ทำไมพูดถึงเรื่องนี้เพราะชาวคริสต์ตั้งบุตรให้กับ AH อัลลอฮสุบฮฺฮะตลลาอีซาหรือภาษาอังกฤษว่าอะไรเยซูเยซัสเป็นบุตรเป็นบุตรซันออฟกเป็นบุตรของพระเจ้า เป็นบุตรของพระเจ้านะพระเจ้ารักมนุษย์ก็เลยส่งพระบุตรมามีพระมีพระบุตรพระบิดาคืออัลลอ์พระบุตรแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าอธิบายเลยอธิบายแล้วงงเขาเรียกว่าระบบตรีเอกนิยมสามในหนึ่งีวัน กาแฟความเชื่อแบบกาแฟทรีอินวันนะทรีอินวันสามเนี่ยเป็นหนึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นหนึ่งได้ไงนะครับมีพระบิดาพระบิดานะครับซึ่งเขาบอกว่าคืออัลลอฮฺสุลฮะตะลาอัลญะอัลญะซุบิลละสองพระบุตรคือไอซาอิสลาม พระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์มีอยู่ทุกๆที่ในการดูแลในการบริหารจัดการในการอะไรต่าง ๆ, ๆพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับหรือนะให้กําเนิดแม้กระทั่งให้กําเนิดไอซาอะลีซัลามนะครับก็พระวพระวิญญาณบริสุทิพระวิญญาณบริสุทธิญญ์มาจากพระบิดาทั้ง3ทั้งสองนี้มาจากพระบิดาแล้วก็เป็นนะครับเป็นหนึ่ง อายะนี้ลงมาเพื่อที่จะปฏิเสธความเชื่อนี้และมานำมนุษย์กลับไปยังเตาคิของอัลลอฮฺสุลาะวะดานี่อตุลลอเอกภาพของอ AH ั AH ลลอฮฺสุลตาระอัลลสุตาะมีหนึ่งเดียวสุโรที่พูดถึงความเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮสวตาลาที่ชัดเจนที่สุดสั้นสันที่สุดจำเอาไว้คือสุโรอันอัลอิคลาสกุล Allah سبحانه ละก tag, ็อัลลอ่านบีศาฮ์ลัลลอฮ์เลอลมประกาศว่าก <tag. S 2> ุณห all. ัว a a หัว אחד a is one a หนึ่งเดียวเท่านั้นกุณห Allah หัว א ח Allah หุสมด a l a h س ب ح ا ละกอเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งนะครับเป็นที่พึ่งของสิ่งทั้งหมดเรานี่มนุษย์อยู่ได้ไหมโดยถ้าหากไม่มีที่พึ่งนะครับ คนที่เพื่อนมาพึ่งเนี่ยต้องพึ่งคนอื่นแต่สําหรับอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลลาทั้งหมดพึ่งอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลลานะครับทั้งหมดพึ่งอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลลาไม่กินข้าววันหนึ่งเนี่ยเอาตัวแทบไม่รอดอยู่แล้วนี่ความอ่อนแอของมนุษย์อัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลลาให้เราถือสิณด้นนี่ยจะได้ให้ได้เห็นถึงความอ่อนแอของเราไงว่ามนุษย์ที่เก่งมนุษย์ที่อ ด, ดีนะครับมนุษย์ที่ว่าคิดว่าตัวเองมันพอได้เก่งพอได้เนี่ย จะได้รู้ว่าตัวเองนี่อดแอไม่มีอาหารไม่มีน้ำลงท้องก็จบแล้วนะครับหรืออัลลอฮสวาตลาไม่ให้ขับถ่ายสักวันสองวันนี่ก็เสร็จแล้วสุบฮานัลลอฮฺเธอลองถ้าอัลลอฮสวาตลาไม่ให้ปัสสาวะไม่ออกเนี่ยจะเป็นยังไงสุบฮานัลลอฮฺถ้าไม่ได้นอนสักสองสามวันเนี่ยเสร็จเหมือนกันนะแกนอนนอนหน่อย นะนอนนิดหน่อยก็มีปัญหาแล้วกลางวันก็มานั่งหลับทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเสียไปทั้งระบบเสียไปทั้งหมดเลยความจงความจําการอะไรต่างๆทาอะไรไม่ถูกมันง่วงนอนนี่คือความอ่อนแอของมนุษย์แต่สําหรับอัลลอฮฺสวาฮ์บัลลานะครับอัลลอฮฺสามารถลำยลิดอัลลอฮฺสวาฮ์บัลลาไม่มีนะครั บ, ม ไ, มมนะรบไม่มีลูกไม่มีบุตรเมื่อไม่มีบุตรก็ไม่ต้องไปนึกถึงว่าพรรยาหรือคู่ครอง ไม่มีสำหรับอัลลอฮฺสุบฮฮะตลลาซุบฮานะวะตาลาเพราะฉะนั้ น, นเวลาเราพูดถึงอัลลอฮฺสุบฮฮะตลาเราจึงกล่าวว่าซุบฮานะหฺวะตาลามหาวิสุดยิงด่งแน่อัลลอฮฺสุบฮฮะตลาจากอะไรจากสิ่งที่เป็นความด้อยเป็นความอ่อนแอเป็นความไม่อะไรครับเป็นความไม่สมบูรณ์เป็นความบกพร่องไม่มีสำหรับอัลลอฮฺสุบฮฮะตลา ไม่ถูกตำหนิในเรื่องใดก็ตามแต่ไม่มีข้อตำหนิสมบูรณ์ที่สุดคืออัลลอฮฺสวาฮ์ตะละลัมยัตะคิสวาลาดานี่ต้องการปฏิเสธความเชื่อนะครับนะของชาวคริสต์นะครับที่เชื่อเรื่องพระบุตรลัมยัตะคิสวาลาดาวาลัมยักุลลาหูชาลิกุลฟินมุนกไม่มีภาคีไม่มีหุ้นส่วนชาลิก แปลว่าหุ้นส่วนนะคำว่ า, า, าชริกนั่นแหละครับชริคือผู้ที่เป็นหุ้นส่วนนะหุ้นส่วนในการครอบครองอันนี้ของอัลลอฮ์ด้วยของเราด้วยเป็นจริงของของเรานี่สมมุติเท่านั้นเองเป็นอัลลอฮ์สวาตลาให้ให้ให้เสร็จแก่เราในการครอบครองเท่านั้นแต่เจ้าของที่แท้จริงเช่นทรัพย์สินของเราของใครของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สวาตลาให้เราครอบครองนะครับเพื่อที่จะใช้ประโยชน์เท่านั้น เราไม่มีอำนาจในการที่จะบริหารจัดการนะครับอย่างสิ้นเชิงโดยไม่มีใครยุ่งเกี่ยวเราจะบอกว่าทรัพย์สินของเราต้องอยู่กับเราตลอดไปนะครับตายแล้วยังอยู่กับเรานะครับอาเครัตยังอยู่กับเราถ้าเป็นของเราก็คือว่าต้องไปถึงอาเครัตเลยแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะรักษามันได้สิ่งที่มันเป็นไปทั้งหมดอยู่ในการบริหารจัดการของลอสมาตาลามนุษย์ที่รวยที่สุดอาจจะกลายเป็นมนุษย์ที่ยากจนที่สุด มันที่มีเป็นร้อยล้านพันล้านอาจจะกลายเป็นยาจกในชั่วพริบตาเดียวการบริหารจัด ก, การของอลัลลอฮฺสาฮาตัลละถ้าหากเราเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆที่เราครอบครองที่เราบอกว่าเป็นเจ้าของเราสามารถที่จะควบคุมมันได้ไม่ว่าเราจะต้องการอย่างไรจะให้มันอยู่กับเราให้มันใหม่นะครับให้มันใหม่ว่าให้มันอยู่กับเราตลอดตลอดไปเนี่ยครับแม้แต่ร่างกายของเร า, เราก็ไม่สามารถที่รักษาได้ต้องการที่จะรักษาฟันไปตลอดนะครับ เ0็ดปีก็ไม่ได้เมื่อถึงเมื่อถึงเวลาฟันก็หลุดนะครับผมที่งอกจะบังคับมันไม่ให้งอกก็ไม่ได้เราบอกว่าผมของกูขมของฉันแต่ว่าเราก็บังคับอะไรมันไม่ได้นะผิวหนังที่เตึงตึงอยากจะบังคับให้มันอยู่กับเราตลอดไปให้มันติงตึงตลอดไปความหนุ่มความสาวต้องการที่จะให้อยู่กับเราทําได้ไหมทําไม่ได้นี่คือความอะไรครับไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเรา ลัมจะตะเควัลลาดาวลลัมโยกลุลลาหุไม่มีหุ้นส่วนนะครับไม่มีหุ้นส่วนในการที่จะบริหารจัดการเพราะฉะนั้นเรื่องหุ้นส่วนนี่เป็นเรื่องของการเชื่อในพระเจ้ามากมายที่เรียกว่าโพลิติซึมนะโพลีโพลีกัโพลีคลินิกใช่ไหมหมายถึงว่ารักษาหลายโรคมีหมอหลายคนหมอเฉพาะทางหลายคนค น, นี่รักษาโรคผิวหนังไอ้นี่รักษาโรคทางเดินปัสสาวะ อันนี้โรคทางทางเดินอาหารอันนี้โรคหัวใจก็ไปรวมกันตั้งเป็นคลินิกเรียกว่าโพลีคลินิกหุ้นส่วนทําเองไม่ได้คนเดียวแต่สําหรับอัลลอฮฺสวาตลาทําด้วยพระองค์เองทั้งหมดโดยไม่ต้องมีหุ้นส่วนและสิ่งที่อัลลอฮฺสวาตละโกรธมากที่สุดคือการบอกว่าอัลลอฮฺสวาตลามีหุ้นส่วน แต่เราไปอ่านเรื่องราวของศาสนาต่างๆความเชื่อที่เป็นโพลิทิซึมเนี่ยเชื่อว่ามีพระเจ้าหลายองค์พระเจ้าแห่งความดีมีสร้างอย่างเดียวสร้างสร้างมีพระเจ้าที่มาทำลายนะพระเจ้าจัดการบริหารจัดการน้ำพระเจ้าที่ดูแลเรื่องฝ น, ฟ, นฟ้าอากาศพระเจ้าของอะไรครับพระเจ้าของ ที่อยู่ในต้นไม้จกนกระทั่งว่าในบางประเทศในบางาศาสนาเนี่ยมีพระเจ้าอยู่ทุกขนทุกแห่งเป็นล้านเป็นล้านเจอจระเข้ก็มีพระเจ้าอยู่ในจระเข้เจอวัวก็วัว น, นี่ชัดพระเจ้านะครับเป็นพระเจ้าเหมือนกันคิดไปคิดมาตั้งเป็นพระเจ้าซะเลยวัว น, นี่สาคัญชะไหนนะครับให้นมแก่คน ให้นมแก่คนใช้ไถนาใช้ลากเวียนนะแล้วก็ให้เนื้อนี่มีปัญหาพอเป็นพระเจ้านี่กินไม่ได้วัวนะครับเพราะฉะนั้นบางนะบางประเทศอย่างเช่นประเทศอินเดียเนี่ยครับนะครับหลายรับห้ามเชือดวัวนะครับผิดกฎหมายฮารอมตายเองวัวตายเองนะฮะต้องตายเองเพราะว่าเป็นพระเจ้า นะครับเพราะฉะนั้นลัมยกลลหูอะไรครับลัมยตะเควลดาวลัมยกลลูชรกไม่มีทุนส่วนไม่มีภาคีในการบริหารจัดการของลอสส์มหัตลมีแต่มาลาเอกาที่รับใช้อาลลอสส์มหัตลมีแต่มาลาเอกาที่รับใช่ของอรรับใช้ของรับใช้อาลลอสส์มหัตลา แต่การปรยายิาการดูแล ข, ของมาลายก็เป็นไปภายใต้คำสั่งของอัลลอฮสวาตลลาการอนุมัติของอัลลอฮสวาตลลาไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในตัวเองดังนั้นคำว่าคาว่าหุ้นส่วนจึงไม่มีสำหรับอัลลอฮสวาตลลานี่ก็ปฏิเสธความเชื่อเรื่องอะไรครับ ความเชื่อเรื่องพระเจ้าหลายองค์นะครับง่ายๆบ้านเรานี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับบอกไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าแต่ก็พระเจ้าเต็มไปหมดมีพระเจ้าอะไรครับเจ้าที่เจ้าภูเขาเจ้าฟ้าเจ้าฟ้านี่ไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับอะไรครับไม่เกี่ยวกับกษัตริย์หรือราชวงศ์นะครับนะ ก็คือพระเจ้าบนชั้นฟ้านะแล้วก็แผ่นดินแผ่นดินก็มีเจ้าเหมือนกันนะครับพระเจ้าแผ่นดินแต่ไม่ใช่ถึงไม่หมายถึงกษัตริย์นะครับความเชื่อเหล่านี้นะครับถ้าเป็น อ, อ, อะไรครับนะถ้าถ้าไปซีคคนจีนนะครับก็ดวงเรือก็ก็มีพระใส่คำว่าพระไปด้วยอันนี้ตัวบ่งบอกว่าความเชื่อเรื่องพระเจ้าหลายองค์เนี่ยครับไปปรากฏอยู่ในคำที่เรียกเช่น พระจันทร์เพราะนั้นสำหรับมุสลิมเนี่ยไม่ควรที่จะใช้คำนี้ใช้คำว่าดวงจันทร์พระจันทร์พระอาทิตย์หมายถึงดวงอาทิตย์พระอะไรครับลองดูนับดูว่ามีพระกี่พระหรือพระที่คุ้งครองประเทศไทยเรียกว่าอะไรเพื่อก็ถาม ก็อสอบจะได้ตอบได้ฮะพระอะไรที่ปกปักรักษาประเทศไทยเนี่ยฮะพระพระสยามเทวาธิราชอันนี้ของเฉพาะของประเทศไทยเลยเพราะว่ามีคำว่าสยามนะสยามเทวาธิราชนะ นี่คือความเชื่อเรื่องพระเจ้าหลายองค์อโลสมาฮาตละซึ่งมีอยู่แต่ก่อนแต่เก่าแล้วเลยหนึ่งปฏิเสธความเชื่อของชาวคริสต์สองปฏิเสธความเชื่อของคนมุชริกที่เชื่อเรื่องพระเจ้าหลายองค์ลัมยกลลาหูชาดีกุมฟิลมุนก ในการครอบครองในการบริหารจัดการฟินมุนในการความในการอะไรครับในกรรมสิทธิ์ในการครอบครองในการบริหารจัดการในการกําหนดชะตากรรมไม่มีหุ้นส่วนสําหรับอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลลานี่แหละจึงกลายมาเป็นถ้อยคําแห่งการปฏิญาณตนของเราที่ว่าลาลาอิลาฮ์อ il ิลลอหไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลลาลาชารีกาลาลาชารีกาลา ไม่มีภาคีใดๆสําหรับอัลลอฮ์สุลฮะตาลาครับนะว่าอละก็อัลลอฮ์สุลฮะตาลาเป็นผู้สร้างมนุษย์ใช้คำว่าสร้างไหมสร้างสร้างใช่ไหมแต่สร้างเรานี่ไม่ใช่สร้างเอามาประกอบสร้างบ้านทําไงสร้างอัลลอฮ์สุลฮะตาลาเพียงแต่ว่ากุล ไฟยักษนอัลอลอฮฺสมัมบานตลาบอกว่าจงเป็นแล้วก็มันก็เป็นแล้วเป็นไม่ใช่ธรรมดาด้วยเป็นคนนี่ไม่ใช่ธรรมดานะในตัวคนนี่มีอะไรหลือเยอะแยะมากมายในต้นไม้ก้นไฟยักู์นต้นไม้มีกี่ชนิดแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวจะถึงคําเหมือนกันสัตว์แต่ละชนิดไม่เหมือนกันเหล่านี้นก้นไฟยักู์กุ้นกไฟยักู์กุ้นกไฟยักู์นเป็นไปตามพระประสงค์ของอลัลลอฮฺสัมบานตลาแต่สําหรับมนุษย์กว่าจะได้บ้านสักหลัง กว่าจะได้อะไรครับของเทียมสักอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่ต้องเอามาประกอบนะครับผลิตยาสักเมต็ดต้องเอานะครับสารเคมีมากี่กี่ชนิดต้องวิเคราะห์ต้องวิจัยต้องสกัดกว่าจะได้มาเป็นแม้ว่าจะเรียกว่าสร้างนะครับแม้ว่าจะเรียกว่าทาั้งแต่ไม่ใช่สร้างมันเอามาประกอบทำผลเทียม ทำไงครับฝนเทียมก็ฝนเทียมก็คือเอาโนท์มาเอานี่มาเอาวักรอบมาเพื่อที่จะให้เกิดความเย็นความชื้นที่พอเหมาะฝนจะได้ตกลงมาในภาวะที่เหมาะสมถ้าภาวะไม่เหมาะสมก็ทําไม่ได้นี่คือการสร้างของมนุษย์นะครับไม่ใช่เก่งอะไรเลยนะครับไม่มีคําว่าข้อละก็สําหรับมนุษย์ไม่ใช้สําหรับมนุษย์ใช้กับอัลลอฮฺสุวาห์ตัลลาอัลลอฮฺสุวาห์ตัลลาสร้าง โดยไม่ต้องมีแบบอย่างมาก่อนบางครั้งบางครั้งใช้คําว่าบ้าดาบ้าเดียบ้าเดียอุสมาว่าที่วันัรสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินไม่ต้องมีแบบมาก่อนเราจะทําอะไรนี่มีแบบมาก่อนเราบอกว่าเราสร้างไม่สางคนคนสมัยก่อนทําบ้านมีแบบไหมไม่มีจริงไหมไม่จริงแบบอยู่ที่ไหนแบบมีสองอย่างก็คือแบบที่อยู่ในกระดาษ นี่แบบแบบจะสร้างโรงเรียนสร้างอาคารนี่มีแบบเจ้าเดินถือเนี่ยวิศวกรเดินถือนะครับผู้รับเหมาเดินถือว่าสร้างแบบนี้แบบอีกอย่างนึ่งคืออยู่ในสมองเห็นที่ไหนสักแห่งหนึ่งว่าบ้านก็ซ้ําแบบนี้แหละโครงสร้างมันเป็นอย่างอย่างนี้หลังคามีกี่ซรงก็มาทํานะครับเรียนรู้เอาจากประสบการณ์แต่สําหรับอรรถสมาตาลาไม่ต้องขอลก็ไม่ต้องมีแบบมาก่อน ขลรกาคุณละใช่อินทุกอย่างไม่ต้องมีแบบมาก่อนสร้างนะครับพระองค์เป็นผู้สร้างคุณละใช่ทุกอย่างทุกทุกอย่างหมายความว่าอย่างไรจากสิ่งที่เล็กที่สุดไปสู่สิ่งที่ใหญ่ที่สุดเล็กขนาดไหนขนาดที่มองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วยังเล็กที่มองไม่เห็นแล้วมีขนาดยังมีขนาดอีก สุบฮานอัลลอฮจนกระทั่งใหญ่ที่สุดใหญ่เกินที่สุดขนาดไหนไม่รู้ว่าไม่รู้ขนาดไหนยังไม่มีใครพบว่าใหญ่ที่สุดในมันขนาดไหนมนเรียกว่าเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินอันนี้ว่าใหญ่ที่สุดแล้วเวลาใครพูดถึงอะไรเท่าชั้นฟ้าทั้งหลายเด็กๆก็พูดกันของชั้นใหญ่เท่าช้างของชั้นไม่ใช่ใหญ่เท่าบ้านนี้ของชั้นนี่ใหญ่เท่าฟ้าใหญ่เท่าแผ่นดินก็จะ เด็กๆตัวเล็กๆมาพูดเวลาเขาเขาอะไรครับเขาเขาอวดกันนะครับของชั้นใหญ่กว่าก็จะพูดถึงในทํานองนี้ใหญ่ที่สุดขนาดไหนยังไม่รู้เล็กที่สุดขนาดไหนยังไม่รู้ก็บอกว่าเซนเดียวเซนเดียวหรือจะเล็กกว่านั้นในช่วงเวลาที่ต้องการที่จะบง่งอกนี่คือความหม า, า, ายสำคัญของอัลกุรอานในยุคที่ไม่มีกล้องจุลทรรศไม่มีกล้องขยายไม่สามารถที่จะมองเห็นแต่ละสมาตาาใช้คําว่ากุลละใ คุณละใ่เงเพราะสิ่งที่มนุษย์สมัยก่อนรู้นั้นคือสิ่งที่มองเห็นเท่านั้นไม่รู้ว่าไม่ยังมีสิ่งที่เขามองไม่เห็นเนี่ยอีกมากมายไม่ใช่เป็นไลฟนะครับไลฟนี่มองไม่เห็นทํำยังไงก็มองไม่เห็นใช้กล้องก็มองไม่เห็นไลฟยุคเมนูนารินไลฟคือมองไม่เห็นยังไงไงก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นไม่สามารถที่จะนะครับสัมผัสได้แต่ลอสมาฮัตลาบอกว่ามีอยู่เช่นมาลาอิกา ยกเว้นมาลายกะจะมาอัลลอฮสวาตลาจะให้มาในรูปของคนหรืออะไรสักอย่างที่อัลลอฮสวาตลาประสงค์ถึงจะเห็นแต่ตัวตนที่แท้จริงของมาลายกะคนทั่วไปไม่ได้เห็นสำหรับน บ, บีเช่นนบีมฮัมมัดสุละละลัยลมก็เคยเห็น ม, า ล, ม, า ล, ามาลายกัตเยบารีนอเลสสลามนะครับนะหนึ่งแล้วคำกริยาที่สำคัญมากมากจำไว้ข้อละก่อ นะไม่ใช้กับมนุษย์ใช้เฉพาะกับวัลลสร้างโดยไม่มีแบบไม่ต้องมีแบบอย่างมาก่อนนะครับฟักดดรอสร้างฟ้าแล้วต่อด้วยบางครั้งระยะเวลาไกลระยะเวลานานแต่ว่านะครับบางครั้งก็บง่งบอกคำว่าฟ้านี่หมายถึงว่าใกล้นะครับต่อต่อกัน นะครับในเวลาที่ไล่เรียกกันฟะกดรฮูตักดีรเป็นคำศัพท์เทคนิคอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอากีร์เกี่ยวข้องกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮมาตลาตักดีรก ด, ดรอเฮย ะ, ะนะครับเตรียมก ด, ดรกกำหนด กำหนดลักษณะเฉพาะของแต่ละอย่างเป็นไงครับลักษณะของเฉพาะของแต่ละอย่างกลไกของแต่ละอย่างอะไรต่างๆที่มันเฉพาะเจาะจงเช่นยกตัวอย่างให้เข้าใจคนเรามีความสูงมาตรฐานเท่าไหร่สูงสุดแล้วเท่าไหร่นอกจากว่าคนที่ว่าอะไรครับ นอกจากว่าคนได้มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนอะไรทำนองนี้ที่มันสูงสูงไปถึงสองเมตรเนี่ยนะครับไ อ, อ้อ้วนนี่อ้วนอ้วนนี่เป็นไงอ้วนนี่ฮอร์โมนผิดปกติไหมหรือว่ามาจากการกินมีสองอย่างใช่ไหมที่อ้วนสามสี่รอยกิโลนะครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปที่ออกข่าวมีอยู่คนหนึ่งเสียชีวิตไปหนักมากต้องใช้รถรถอะไรรถยกนะครับแล้วก็ ออกทางประตูไม่ได้ต้องทุบกําแพงพาออกต้องใช้ยกรถยกนะครับหนักมากนะตกลงว่าแต่ว่าอาลัลลอฮฺสัมบัติลาตักดีตว่ามนุษย์ในตัวแค่นี้แหละอายุอลัลลอฮฺสัมบัติลาตักดีต์เหมือนกันว่าโดยทั่วไปแล้วมีอายุขนาดนี้นอกจากมนุมนษย์ในบางช่วงบางยุคเช่น ยุค ข, ของท่านนาบีนบีอะไรครับนบีอะไรที่ดะวา่านานที่สุดท่านนาบีนูอะไรงิสลามเท่าไหรหนึ่งพันปีเก้า้อยห้าสิบปีแสดงว่าท่านนาบีนมีนูมีอายุยืนมากนะครับกัดารลักษณะท่าทางรูปร่างหน้าตาอาลัลลอฮฺวาตลากำหนดอันนี้จะเกิดประโยชน์อะไร ต้นไม้ชนิดนี้นะครับใช้ประโยชน์อะไรบ้างรสชาติเป็นยังไงความสูงของมันขนาดของมันเอาต้นไม้โตไม่หยุดบางชนิดเนี่ยโตไม่หยุดเลยโตมีอายุยืนยาวกว่ามนุษย์เป็นพันพั น, พนปีต้นไม้บางต้นมีอายุยืนยาวมากนี่ตักดีรเหมือนกันเอาลอสแพรตลากําหนดนะครับสัตว์บางชนิดมีชีวิตแค่วันเดียวสัตว์บางชนิดมีอายุยเพียงอย่างเช่นยุงเขาบอกมีอายุเท่าไหร่นานเท่าไหร่ยุง นะยุงมีอายุเท่าไหร่ครับถ้าจำไม่ผิดหนึ่งอาทิตย์ทำไมมันเยอะมันเกิดเยอะออกลูกทีหนึ่งนะครับเยอะมากเอาจากนิ้สิ่งที่จะเป็นอาหารในกับมมนุษย์อัลลอสวาฮาตาลาเช่นสัตว์ในทะเล มากมาย ม, ามาหาศาลออกวางไข่ทีนึงนับไปล้านล้านฟองเพื่อที่จะสนองให้ผลประโยชน์กับมนุษย์สุาลลภาณอโลฟักดาหูตักดีรโลอัลลอฮฺมหาตาลากำหนดไว้สภาวะเรียกว่าที่บางบางท่านก็แปลว่าตักดีนี่มือถึงกฎกำหนดสภาวะที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละสิ่งที่อัลลอฮฺมหาตาลากำหนดทั้งคุณทั้งโทษทั้งประโยชน์ความสูงอายุนะครับน ะ, บนะลักษณะรูปพรรณสีสันทั้งหมดนะครับ ว่าจะให้ใช้ทำอะไรเลยเอลัาาลลฮวลท่านอุลเลาะหลัมบอกไว้ในฮะดีสหนึ่งว่าคนรดาอินดวะทุกๆโรคมียาวันนี้ท้าทายมากสำหรับคนที่จะศึกษาคนที่จะเป็นเภสัจกรคนที่จะเป็นแพทย์ นะครับยังเปิดเป็นประตูที่เปิดว่าโรคที่บอกว่าไม่มียาเนี่ยไม่มีนอกจากความตายความแก่กับความตายยามาจากไหนยามาจากพืชสกัดมานะครับใครคนคบคนสมัยก่อนนะครับก็เป็นยาต้มนะยาสมุนไพรก็มาจากแล้วคนสมัยปัจจุบันก็เอาไ้สมุนไพรเหล่านี้มาสกัดนะครับ มานามาทดลองในห้องเล็บแล้วก็กลายมาเป็นยานะครับเหล่านี้เป็นต้นทั้งหมดที่มีอยู่ในสิ่งเหล่านี้คือตักดีฟของอัลลอฮมหตะตะลาสัตว์บางชนิดมีชีวิตอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกสัตว์บางชนิดมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยตาสัตว์บางชนิดกลางวันมองไม่เห็น สัตว์บางชนิดกลางคืนมองเห็นสัตว์บางชนิดไม่มีไม่มีมือไม่มีอะไรครับไม่มีเท้าไม่มีขาเคลื่อนที่ได้เช่นงูไส้เดือนไปได้นะถ้างูเคลื่อนที่นี่เราไล่ไม่ทันนะก็ทั้งทั้งที่ไม่มีขาทั้งทั้งที่เรามีขามีขาเนี่ยครับมันวิ่งนี่ตักดิตของอัลลอฮฺมะฮ์ตะละอัลลอฮฺมะฮ์ตะละเราบอกว่าต้องเดินทังต้องมีขาหรือถ้าสองขาถ้าสามขาถ้าสีขามันจะรุ่มรามยุ่งยาก แต่กิ้งกือดันเท่าไหร่ครับมีกี่ขาใครเคยนับไหมเท่าไหร่ใครมีความรู้ไหมว่างๆไม่มีงานทำลงไปจับกิ้งกือนับขาดูฮะไปนับดูที่ตะขาบกี่ขาโอ้ใช้กลไกอะไรที่ให้ให้ไอ้ขาขนาดนี้มันเคลื่อนที่ไปประยางประสานกัน เราชมไม่พวกพายอะไรนะพายเรือยาวที่มันแข่งกันน่ะนะโอ้โหสุดยอดเรายกนิ้วเพราะว่าจังหวะที่เขาพายน่ะมันพอดีปุบปุบปุบปุบปุบแล้วตะขาบอ่ะเออมันเคลื่อนที่ยังไงตัวไหนเป็นตัวสั่งการระบบอะไรที่มันอะสุภานรล้ลลใสเดือนมันหายใจยังไงยืนในดินรู้ก็ไม่มีอะไรไม่มีสักอย่างหนึง เอาลงหาดูเหลา่านี้ต้องการที่จะให้พวกเราเข้าใจคําว่าตักดีตของอัลลอฮฺสุวาห์ตะลาในเมื่ออัลลอฮฺสุวาห์ตะลากําหนดเราคิดว่ามันเป็นไม่ได้ไปไม่ได้ถ้ามีคนมาเล่าว่ามีสิ่งหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักอะไรสักอย่างนี่มีสิ่งหนึ่งว่ามีรูปประพันธ์อย่างนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นตรงนั้นที่มันลึกลับซับซ้อนมากเราบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่อัลลอฮฺสุวาห์ตะลาตักดีต จะมีชีวิตอยู่ยังไงปลาบางชนิดไม่ต้องอยู่ในท้องนนอยู่ใ น, ในก้นบึ้งของมหาสมุทรตาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีสักอย่างมันจะกินอาหารได้ยังไงใช้ประสาทสัมผัสนะครับใช้ประสาทสัมผัสแม้แต่กิ้งกานะครับเราจะเห็นมันแบลบปิ้นออกมาจับมแมลงหรือขังคกเหล่านี้เป็นต้นหรืองูเขาบอกว่างูงูฟังฟังเสียงด้วยอะไรครับงูฟังเสียงด้วยอะไร งูมีหูไหมฮะเออเขไม่เรียนไงเดี๋ยวนี้นะไม่เรียนไงเดี๋กลองพวกนี้ขอเรียนแบบวิเคราะห์นะงูฟังเสียงด้วยลิ้นครับเพราะฉะนั้นเวลางูงูนะครับงูเลื้อยเนี่ยมันจะแลบลิ้นเป็นจังหวะจังหวะจังหวะจังหวะ سبحان ลอ ل ه ก้างข่าเคลื่อนที่ยังไงตาหรืออะไรไม่ใช่ตาตาจะส่วนหนึ่งแหละแต่ในควอะไรครับที่สำคัญคือหูหูครับส่งเสียงออกไปแล้วเสียงไปกระทบกับวัตถุข้างหน้าสะท้อนกลับมาบอกว่าเฮ้ยไปไม่ได้เว้ยทางนี้มีของขวางอยู่ ยกเว้นของที่มันเล็กมากไม่ทันหลบแต่โดยปกติก็คือว่ามันสามารถที่จะหลบหลีกได้ด้วยการใช้ด้วยเสียงระบบเสียงที่ส่งออกไปฟักดดารหูตกดีรอหมาหรือสุนัขคำสุภาพว่าสุนัขคำธรรมดาธรรมดาก็ว่าหมาถ้าคำหยาบๆว่าไอสัตว์หมา อไอ้ <c oughs> หายง่วงวป่าหลับก็หลับไปนะ <c oughs> ตกลงว่า <c oughs> <c oughs> เราดมกลินเนี่ยความสามารถของเราในการดมกลินเนี่ยขนาดไหนกวัดเป็นไรอ่ะดมกลินอ่าเรียนต้องรู้นะอาจารย์ไม่รู้หมา ไอสัตว์หมาไอสัตว์หมานี่มีความสามารถมากกว่าในการดมกลิ่นมากกว่ามนุษย์เป็นล้านเท่าแม้กระทั่งหมูชัดเจนดูดแบบนี้นครับดูดูตรงดูที่กองขยะปึ๊บมาแล้วแต่เทนเสนาหาอะมาแล้วมันมาจากไหนมันมันมองไม่เห็นแต่ใช้กลิน่นคนได้รับกลิ่นเพียงนิดเดียว นะครับนะครับสามารถที่จะดมกลิ่นเพราะงั้นทำไมถึงดมสารเสพติดได้ดมอะไรได้สุนัขที่เขาฝึกสุนัขสงครามนะครับยาเสพติดเพียงเม็ดเดียวหรืออะไรต่างๆนะครับพวกอาวุธยุทธปก ร, กรณ์ที่การฝึกใช้การดมกลิ่นไม่ใช่ใช้ตาเราไม่ใช้การมองเห็นใช้การสัมผัสแต่สัตว์บางชนิดเช่นสุนัข ก, ก็ใช้การดมกลิ่นเท่านั้นเองและสัตว์อื่นๆเรื่องวัวหรือแพะ มันรู้ได้ยังไงว่าต้นนี้กินไม่ได้ต้นนี้กินได้มันรู้จักด้วยเหรอมันรู้จักกับอะไรครับรู้จักกับการดมกลิน่นกลิ่นครับสบุบาน له, ัลล่ะแสดงว่าไอ้ต้นพวกหญ้าทุกชนิดไม้ทุกชนิดเนี่ยมีกลิน่นแต่มนุษย์ไม่สามารถที่จะดมกลิ่นของพวกนี้ได้แต่สัตว์รู้ยื่นปากไปดึงกลับไม่กิน เราเอาของสองอย่างที่มันไม่กินกินกับกินเนี่ยมันมันก็คือแย่ปากมาแล้วก็ดมนะครับแล้วก็กินอีกอย่างหนึ่งไม่กินถ้ากินเข้าไปคือคลายทิ้งของที่ว่ามันมั น, ม, นมันไม่กินนะครับสัตว์บางชนิดยกเว้นสัตว์บางชนิดก็มีพัฒนาการเช่นแพะแตักอันนี้มีกินในนี้ก่อนถ้าไม่มีค่อยกินทีหลังเช่นนะครับเช่นอะไรครับ เ, เวลาทำทำทำกอกแพะ ไม้นี้ไม่ต้องบอกเปลือกครับไม้ไม่ต้องบอกเปลือกค่อยแพะบอกให้กินหมดเลยหลังคาถ้าหลังคามงจากครับถ้าปล่อยช้านะมันกินหมดเลยหลังคานะครับมันยืนกินหมดเลยหลังคาเหล่านี้เป็นต้นคือตักดีดของอัลลอฮฺพูดให้นักเรียนเข้าใจว่าคือตักดีดของอัลลอฮฺสวาฮาตละที่อัลลอฮฺสวาฮาตลากำหนดที่อัลลอฮฺสวาฮาตละกาหนดไม่ว่าจะเป็นอวัยวะไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่ความพิเศษความเฉพาะเจาะจงแต่ละอย่างแต่ละอย่าง แม้จะมีความคล้ายอยู่บ้างแต่ไม่มีความเหมือนในมัลุกที่อัลลอฮสวาตลลาได้สร้างตักดีดฝักกัดดาราหูตักดีรอตักดีดการกำหนดที่ละเอียดอ่อนนะครับการกำหนดที่ละเอียดอ่อนจนยากที่เราจะเข้าถึงแก่นแท้ที่แท้จริงของมันได้นั่นแหละคืออัลลอฮฺสวาตัลลาดังนั้นคำกริยานะครับ ขลกักกลลชัยอินฟกักดดระหูตักดีรอนะครับสร้างและพระองค์ทรงกำหนดสภาวะที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละสิ่งทุกๆสิ่งที่พระองค์สร้างด้วยการกำหนดที่ละเอียดอ่อนครับอันนี้คืออายะ ที่ว่าด้วยเอกภาพของอัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุมาฮัตลาที่ปฏิเสธเรื่องการมีบุตรเรื่องการมีภาคีของอัลลอฮ์สุมาฮัตลาแล้วก็อัลลอฮ์สุมาฮัตลาพูดถึงว่าผู้ที่สร้างเพรา ะ, ะนั้นอัลลอฮ์สุมาฮัตลาจึงได้ชื่อว่าเป็นอัลคอลิกนะครับอัลคอลิกผู้ที่สร้างนะครับแล้วอัลลอฮ์สุมาฮัตลาเป็นผู้ที่ทรงกําหนดนะครับก่อเดชผู้ที่ทรงอํานาจนะครับสามารถที่จะกําหนด ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะจากสิ่งที่เล็กที่สุดไปถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุดทุกๆสิ่งที่อลอสมาตลาลได้ทรงสร้างคับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อายห์เดียวนะครับก็ได้เวลานะครับหนึ่งชั่วโมงพอดีก็ทำดลิละนะครับก็คนที่ตั้งใจก็คงจะได้บ้างนะได้เรียนรู้เพราะเราไม่มีชั้นเรียนที่ ไปเรียนเรื่องนะครับวิชาศาสนาที่ละเอียดเหมือนกันหรือเราก็ต้องใช้เวทีตรงนี้นะครับศึกษาเรียนรู้อาจารย์ก็พยายามที่อธิบายไปเรื่องต่างๆเพื่อที่จะให้พวกเราไดา้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาที่กว้างออกไปก็วัลลอฮฺอลอบิสมิลาวะซัลลาลัลลอฮฺวะลามุฮัมมัดวะลาอฺลีวะะซฮฮับิย์มีนวสลามุอะลัยุมุอะร์ห์มตุลลอฮวะบราุ